วิธีการสอนพระพุทธศาสนาที่ได้ผลข้าพเจ้าคิดว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่จะให้ผลดีแก่คนทั่วไปนั้นควรจะดาเนินตามหลักการใหญ่หญๆดังต่อไปนี้คือหนึ่งการสอนพระพุทธศาสนาจะต้องมุ่งให้คนเราเข้าใจเรื่องชีวิตโดยเฉพาะคือจะต้องให้เข้าใจเรื่องการตายและเกิดเรื่องกฎของกรรมเรื่องสุขภาพทางจิต และจะต้องมุ่งที่จะให้บุคคลเหล่านี้นำเอาพระพุทธศาสนาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่สอนสักแต่ ว, ว่าพอให้มีความรู้แต่จะต้องพยายามสอนให้ได้ผลตามหลักสามประการดังที่กล่าวไว้แล้วให้จงได้ 2. การสอนจะต้องอ้างหลักฐานจากคัมภีออกมาให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังแน่ใจว่าเขาได้เรียนพระพุทธศาสนาจริง ไม่ใช่เรียนจากมาติของคนสอนนอกจากนี้ก็ต้องพยายามสอนด้วยข้อเท็จจริงที่เขาสามารถจะทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเขาเองการอ้างตำราขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีข้อเท็จจริงพิสูจน์อย่างเพียงพอนั้นจะไม่ทำให้คนฟังเกิดศรัทธาเท่าที่ควร 3. จะต้องมุ่งสอนแต่เฉพาะเท่าที่จำเป็นก่อน คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าบุคคลที่รับการสอนนั้นมีพื้นการศึกษามีสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นมีความเชื่อถือแต่เดิมมาอย่างไรการสอนจะต้องให้เหมาะสมแก่ความต้องการและให้ได้ผลตามความต้องการของเขาผู้สอนจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าทุกวันนี้คนเรามีเวลาจำกัดมากเนื่องจากจะต้องใช้เวลาส่วนมากไปเพื่อประกอบอาชีพหรือทางานอื่นซึ่งเป็นความจาเป็นของเขา เพราะฉะนั้นการสอนจะต้องรวบรัดที่สุดอะไรที่ไม่จําเป็นเพราเขารู้แล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาหรืออะไรที่สอนไปแล้วเขาจำไม่ค่อยได้เรื่องเหล่านี้ต้องตัดออกการสอนพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันซึ่งจะให้ได้ผลตามนี้ผู้สอนจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญจริงๆและไม่ใช่รู้เฉพาะแต่ในเรื่องศาสนาเท่านั้นแต่จะต้องมีความรู้ในเรื่องชีวิตของคนที่จะสอน และจะต้องมีความรู้วิชาการต่างๆเหมือนกับที่เขารู้ด้วย 4. การสอนพระพุทธศาสนาสำหรับคารวาสอย่าพยายามไปตั้งกฎเกณฑ์ที่จะต้องให้เขาประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ตรงกันข้ามจงพยายามให้อิสระแก่เขาในอันที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นเรื่องของเขา ผู้สอนควรจะวางไว้แต่ลักกว้างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นประโยชน์ในเรื่องการเรียนเท่านั้นอย่าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าศา ส, สนาดีจริงแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาปฏิบัติตามไม่ได้อันนี้ต้องคอยระวังให้มากและจะต้องพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักศาสนาจะได้ประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อตัวเองมีศรัทธาและเข้าใจจริงๆเท่านั้นหลักอันไหนยังปฏิบัติไม่ได้ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงให้ปล่อยเอาไว้ก่อนต่อไปภายหลังในเมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตดีขึ้นพ้นจากความจำเป็นต่างๆแล้วก็ปฏิบัติได้เอง 5. การเรียนพระพุทธศาสนาจะต้องคู่กันไปกับการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนที่ถึงแม้จะเรียนได้ดี แต่ถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้จเจริญวิปัสสนาไม่ได้เขาก็จะเป็นเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารเข้าไปสู่ร่างกายแล้วแต่อาหารไม่ย่อยหรือย่อยแต่เพียงส่วนน้อยผลที่จะได้รับจากอาหารย่อยมีน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ย่อมจะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารเท่าที่ควรในทำนองเดียวกันคนที่เรียนมากแต่ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะเลื่อมใสและเข้าใจซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะเขาไม่ได้รับผลจากศาสนาจริงๆการที่คนส่วนมากเบื่อศาสนาเบื่อฟังเทศเบื่อแม้กระทั่งจะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านก็เพราะเขาไม่เคยได้รับประโยชน์อันแท้จริงจากศาสนานั่นเองและการที่เขาไม่ได้รับประโยชน์ก็เพราะไม่เคยหัดนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนา หรือเคยปฏิบัติแล้วแต่ไม่ได้ผลการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยวิธีฟังเทศฟังปตัตตคาถาอ่านหนังสือเอาเองหรือโดยที่สุดแม้จะได้มีโอกาสได้เรียนจากครูผู้สอนโดยตรงซึ่งเรียนกันตั้งแต่ต้นไปโดยลำดับเหมือนกับนักเรียนในห้องก็ตามวิธีนี้ก็ยังได้ผลน้อยมากถ้าหากไม่ค่อยได้ทดสอบถึงความรู้ที่มีอยู่หรือที่จาได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูก คนที่จะสามารถฝึกสมาธิได้ผลจริงๆนั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องละเอียดละออทีท้วนและจะต้องมีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยซึ่งการเรียนแบบนี้ที่จะได้ผลจริงๆนั้นมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องเรียนจากผู้ที่มีความรู้จริงๆและจะต้องมีเวลาพอในการเรียนด้วยจะทาเป็นเรียนบ้างไม่เรียนบ้างตามอารมณ์ไม่ได้ ข้อที่6การสอนพระพุทธศาสนาจะต้องนำเอาวิธีการรักษาโรคทางกายมาใช้ด้วยเช่นจะต้องมีการซักถามประวัติเกี่ยวกับการศึกษาการอาชีพสิ่งแวดล้อมผู้สอนจะต้องทำตัวให้เป็นเสมือนหนึ่งแพทย์ซึ่งจะให้การรักษาแก่ใครจะต้องตรวจดูให้รู้แน่เสียก่อนว่าเป็นโรคอะไรแล้วจึงจะให้การรักษาที่ถูกต้องได้ผู้ที่จะทาการรักษาอย่างนี้ได้นั้น จะมีความรู้แต่เพียงจากตำรายอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีประสบการณ์จากการตรวจคนไข้และจากการรักษามาแล้วอย่างเพียงพอจึงจะสามารถทําการรักษาคนไข้ได้ผลการสอนศาสนา ก, ก็เหมือนกันจะได้ผลจริงๆนั้นจะต้องมีสถานที่เหมือนกับโรงพยาบาลซึ่งจะต้องให้การแนะนําสั่งสอนเป็นรายบุคคลและมีหลายแผนกและจะต้องพยายามค้นคว้าหาวิธีตรสอนให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์3ามประการ ดังที่กล่าวมาแล้วให้ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทำการสอนอย่างนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าหรือทำการวิจัยมากมายและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องพยายามนําวิชาการต่างๆมาประยุกให้เข้ากันได้กับวิชาทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นในเมื่อทางวิทยาศาสตร์ถือว่าชีวิตยอมเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมัน ซึ่งเขาอธิบายได้ว่ามันมีกรรมวิธีแห่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตซึ่งเป็นไปตามกฎของวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างผู้ที่ทำการสอนศาสนาก็จะต้องมีความรู้ในวิชาการที่ว่านี้และจะต้องนำเอามาเปรียบเทียบกับวิชาทางพระพุทธศาสนาและชี้ให้เห็นว่ากรรมวิธีทั้งหมดที่ว่านี้ย่อมดำเนินไปภายใ ต, ใต้การควบคุมของวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิต นักศาสนาจะต้องสามารถชี้แจงให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั้นแม้จะเป็นไปนตามกฎของวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่เพราะเหตุที่พฤติกรรมทุกอย่างมีความหมายฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นและดำเนินไปภา ย, ภาย ใ, ตใต้การควบคุมของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในชีวิตนั้นๆจงสังเกตว่า ทางโรงพยาบาลจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและนักเทคนิคในวิชาการแต่ละขแขนงหรือในงานแต่ละแผนกชั้นใดในทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการต่างๆซึ่งสามารถที่จะอธิบายพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบหรือประยุกต์ให้เข้ากันได้กับวิชาการทุกขแขนงชั้นนั้นอันนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดในอันที่จะแก้ปัญหาต่างๆของคนทุกประเภทเพราะผู้ที่ทําการสอน ซึ่งเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ทําการรักษานั้นจะให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ใ น, นเมื่อในวงการพระพุทธศาสนามีผู้เชี่ยวชาญทุกขแขนงพร้อมอยู่แล้วผู้ทําการสอนเกิดติดขัดในปัญหาข้อไหนก็พร้อมที่จะสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญในขแขนงนั้นๆได้ทันทีโดยวิธีนี้การสอนพระพุทธศาสนาจะได้ผลอย่างสมบูรณ์มาก ถ้าหากการเผยแพร่ศาสนาได้ก้าวมาถึงขั้นนี้ประชาชนโดยทั่วไปจะลายเห็นผลและคุณค่าของศาสนาอย่างชัดเจนคนทั่วไปจะไม่เบื่อศาสนาและศาสนาก็จะไม่อยู่แต่ในรูปของประเพณีตรงกันข้ามศา ส, สนาจะดำรงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาจเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับความจเจริญของโลกและนำโลกไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และสันติสุขทั่วโลกได้ ตามหลักการที่เสนอมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะทำการสอนศาสนาให้ได้ผลตามหลักการดังที่กล่าวมาจำเป็นจะต้องอาศัยคารวาสเป็นจำนวนมากมายและจะต้องหาทางให้ผู้ที่เคยบวชเป็นพระและมีความรู้ดีนั้นเมื่ออยู่ไม่ได้สึกออกมาต้องให้มีอาชีพเป็นนักสอนศาสนาที่มีประสิทธิธภาพจริงแต่เวลานี้ผู้ที่สึกออกมามักจะหันไปจับอาชีพอย่างอื่นเพราะการสอนศาสนาอย่างในเมืองไทยเรานี้ เป็นคารวะยากที่จะทำได้เพราะประชาชนไม่เลื่อมใสและอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะไม่มีองค์กรหรือสถาบัานแห่งใดที่จะรับรองบุคคลประเภทนี้ในขณะนี้ผู้ที่ศึกออกมาแล้วมีอาชีพในทางสอนศาสนานั้นถึงแม้จะมีอยู่บ้างก็ยังอยู่ในวงแคบเช่นไปเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำกรมการศาสนางานอันนี้ยังไม่แพร่หลายถึงประชาชนและโดยเฉพาะ ตามโรงเรียนต่างๆซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกแห่งควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาประจำอยู่อย่างน้อยก็โรงเรียนละหนึ่งคนและนอกจากนี้ตามโรงงานอุตสาหกรรมและในวงงานอาชีพอื่นก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาแทรกซึมอยู่ทั่วไปไม่เช่นนั้นการสอนศาสนาจะไม่ได้ผลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงถ้าหากผู้ที่เป็นคารวาส สามารถที่จะยึดอาชีพในการสอนศาสนาเป็นหลักได้เหมือนกับอาชีพอื่นๆเช่นอาชีพในวงการแพทย์เป็นต้นข้อนี้จะเป็นผลสะท้อนให้ภิกษุสามเณรมีความตั้งใจเรียนทางพระพุทธศา ส, สนาให้มีความรู้แตกฉานและจะมีความสนใจในการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนามากขึ้นด้วยอนหนึ่งข้าพเจ้าได้เคยย้ำมาบ่อยครั้งว่า คนที่จะเรียนในทางศาสนาจนกระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถอย่างแท้จริงในอันที่จะเผยแพร่พระพุทธศา ส, สนาให้ได้ผลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าสมาธิได้คือนั่งสมาธิเมื่อใดจิตใจก็แจ่มใสนิวรณ์สงบเสมอทุกครั้งอันนี้เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดความรู้อย่างเดียวช่วยอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็มีกฎตายตัวว่าคนที่มีความกดดันทางอารมณ์ ถ้ามีแต่เพียงเล็กน้อยและสะสมมาไม่นานเมื่อมาฝึกสมาธิก็มีทางที่จะฝึกได้แต่ถ้ามีความกดดันสูงและเป็นมานานแล้วตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ความกดดันนี้จะไม่มีทางฝึกสมาธิได้เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อพระท่านได้มองเห็นและแน่ใจว่าต่อไปถ้าอยู่ไม่ได้จะต้องศึกก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีอาชีพที่ตนเองถนัดคอยรองรับอยู่แล้ว และเป็นอาชีพที่พอจะเลี้ยงตนเองให้มีความสุขได้เป็นอาชีพที่มีเกียรติด้วยถ้าพระโดยทั่วไปรู้สึกเช่นนี้ความกดดันในทางอารมณ์ก็จะมีน้อยองค์ไหนหากจะอยู่ในศาสนาตลอดไปก็จะอยู่ด้วยศรัทธาจริงๆไม่ใช่อยู่อย่างจำใจต้องอยู่เพราะสิ้นหวังในทางโลกและในระหว่างที่อยู่ในผ้าเหลืองนี้ก็จะขยันเรียนและปฏิบัติ ในเมื่อความกดดันไม่มีหรือมีน้อยก็สามารถที่จะฝึกสมาธิจเจริญวิปัสนาได้ดีวิธีการอันนี้จะเป็นการช่วยฟื้นฟูศาสนาให้รุ่งเรืองอย่างได้ผลแน่นอนและปัญหาที่ว่านักศาสนามีไม่พอกับความจำเป็นของสังคมก็จะหมดไปด้วยและเชื่อได้แน่นอนว่าวิธีการอันนี้จะทำให้นักศาสนาทั่วไปตื่นตัวเรียนศาสนากันมากขึ้น และในมิช้าเราก็จะพบว่าผู้เชี่ยวชาญทางศาสนามีอยู่ในวงการทุกอาชีพและทุกระดับและแล้วการที่จะส่งนักศาสนาไปเผยแพร่ในต่างประเทศหรือในถินทุรักกันดานก็จะทำได้โดยไม่ยากทำอย่างไรจึงจะให้บุคคลที่มีการศึกษาดี มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆเข้ามาศึกษาทางพระพุทธศาสนาจนกระทั่งในที่สุดสามารถที่จะเป็นผู้สอนศาสนาโดยที่ตัวเองก็ได้ผลทางศาสนาตามหลักสามประการนั้นด้วยอันนี้คือหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากทำได้ผลสำเร็จเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองแล้วในตอนนี้แหละ เราจะเห็นความเจริญทุกๆด้านของบ้านเมืองค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับเราจะไม่ประสบกับความผิดหวังในอันที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ได้ผลตามความต้องการของคนส่วนใหญ่มุมมืดที่ทำให้เราทั้งหลายมองไม่เห็นว่าการพัฒนาบ้านเมืองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยศาสนานั้นก็คือเราทั้งหลายไปเข้าใจกันซสว่าพระเท่านั้นที่จะทาการสอนศาสนาได้ผล เพราะประชาชนส่วนใหญ่ได้เลื่อมใสพระอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคารวทามาทำงานในด้านการสอนศาสนาประชาชนจะไม่เลื่อมใสจะทำงานไม่ได้ผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการที่ประชาชนทั้งหลายพากันเข้าใจผิดเช่นนี้ก็เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วการสอนศาสนาอยู่แต่ในมือของพระฝ่ายเดียวคาระวะถึงแม้จะมีบ้างก็ต้องอาศัยทั้งราชการช่วย เช่นเป็นอนุสาสนาจารย์อย่างนี้เป็นต้นส่วนการที่จะออกมาทำงานอย่างอิสระโดยขึ้นอยู่กับประชาชนจริงๆไม่มีใครกล้าทำเพราะคิดว่าถ้าใครขืนทำก็จะไปไม่รอดฉนั้นจึงว่าเรื่องนี้เป็นมุมมืดทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ไปเข้าใจกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระเท่านั้นที่จะทำการสอนศาสนาได้ผล แต่เนื่องจากผลงานและพิธีกรรมต่างๆตลอดทั้งคำสอนและวิธีสอนดังที่ประชาชนเห็นกันอยู่อย่างจำเจทั่วไปนั้นคนที่มีความคิดมีสติปัญญามีการศึกษามาดีทั้งที่เขาเองก็เลื่อมใสพระแต่เมื่อคิดจะเอาหลักการทางศาสนาดังที่เขาเห็นอยู่นั้นมาใช้พัฒนาบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมีสันติสุขและประเทศชาติก้าวหน้าไปด้วยนั้นเขามองไม่เห็นว่า จะนํามาใช้อย่างไรเราเรื่องอย่างที่พระสอนกันอยู่ทั่วไปนั้นประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามไม่ได้และรู้สึกกันทั่วไปว่าเรื่องในทางศาสนาดูจะเหมาะสําหรับคนที่มีอายุและหมดภาระในทางโลกเตรียมตัวจะไปหาความสุขในโลกหน้ามากกว่าด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สนใจและไม่คิดที่จะนําหลักทางศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองกันอย่างจริงจัง อันที่จริงเราลืมกันไปว่าศา ส, สนาเป็นของจำเป็นแก่ทุกคนและถ้าคนไหนได้ผลจากทางศาสนาโดยตรงแล้วผู้สอนจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสไม่สำคัญเพราะปัญหาที่จะไม่เลื่อมใสในศาสนาหรือไม่เลื่อมใสในคนที่มาสอนนั้นจะไม่มีข้อสำคัญที่สุดมีอยู่ประเด็นเดียวคือผู้สอนไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาส ต, ต้องเป็นนักปฏิบัติด้วย และตัวเองจะต้องได้รับผลจากทางศาสนาโดยตรงเสียก่อนจึงจะสามารถสอนให้คนอื่นได้รับผลเหมือนกับตัวเองได้เราจะใช้คนที่มีแต่ความรู้ส่วนผลในด้านจิตใจซึ่งเกิดจากการปฏิบัติมีไม่พอนั้นย่อมทำงานไม่ได้ผลและอีกประการหนึ่งอย่าลืมว่าคนที่จะสอนคนอื่นให้ได้ผลนั้นจะต้องมีสติ ป, ปัญญามีความนึกคิดเหนือคนที่จะสอน จะต้องพยายามหาทางแก้อุปสรรคเหล่านี้ให้ได้ศา ส, สนาจึงจะแพร่หลายในสังคมเพราะฉะนั้นทางออกที่จะเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียวสำหรับคารวาสคือจะต้องมีสถาบันที่สามารถในการศึกษาในด้านศาสนาแก่คนที่มีการศึกษามาดีตามหลักการที่ได้แถลงมาแล้วทั้งหข้อนั้น